การทำบุญทําทานไม่เป็นการสูญเปล่าเงินทองทุกบาทที่เราใช้ไปกับการทาบุญทาทานนี้กลับมาหาเรากลับมาเป็นของเราเพียงแต่เราเปลี่ยนสภาพของเงินทองให้กลายเป็นบุญเหมือนกับเราเปลี่ยนเงินบาท ปเป็นเงินดอลลาร์เวลาเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราเอาเงินบาทไปใช้ที่ต่างประเทศไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเงินสกุลของประเทศที่เราจะไปถ้าเราไปญี่ปุ่นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินเยนเพราะเอาเงินบาทไปใช้เขาไม่รับไปซื้อของไม่ได้ เราก็เลยต้องเตรียมเอาเงินเย็นไปกันอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปเราต้องทิ้งร่างกายนี้เราต้องออกจากโลกนี้โลกนี้เป็นเหมือนประเทศไทยอล้าเดี๋ยวเราจะต้องไปอยู่ในโลกที่โลกที่เป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่นอยู่คนละประเทศกันเราก็ต้องเอาเงินของประเทศญี่ปุ่นไปใช้ โลกทิพ์เขาใช้บุญเป็นเงินโลกทิพ์เขาก็มีโรงแรมมีอาหารมีเสื้อผ้ามีสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเราไม่มีบุญเราก็จะต้องไปอยู่แบบขอทานแต่ถ้าเรามีบุญติดตัวไปเราก็ไปแบบเศรษฐี เศรษฐีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเขาก็พักตามโรงแรมหรูหรากินอาหารตามร้านอาหารหรูหราไปเที่ยวตามสถานที่ที่หรูหราเพราะเขามีเงินจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆพวกเราต่อไปก็ต้องไปต่างประเทศกันเราต้องไปโลกทิพย์เนี่ย เงนนเราต้องเตรียมเอาเงินที่จะใช้ในโลกทิพติดตัวเราไปเราก็เลยต้องมาที่วัดเพราะเป็นที่เปลี่ยนเปลี่ยนเงินเงินสกุลจากเงินบาทเงินไทยไปเป็นเงินบุญ เ, เงินทิพ์เนี่ยบุญก็คือเงินทิพ์ที่จะเอาไปใช้เสื้ออาหารทิพ์จ่ายค่าที่อยู่ทิพอ คนที่มีบุญติด ต, ตัวไปก็จะเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญเราก็เรียกว่าเทวดาเป็นผู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขเหมือนกับตอนที่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยมีความสุขด้วยเงินทองเงินบาทพอย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนเงินจากเงินบาทไปเป็นเงินญี่ปุ่น ก็ไปอยู่แบบเดียวกันได้เพราะว่าเรามีเงินไว้สำหรับซื้อของจำเป็นต่างๆถ้าเราไม่มีเงินติดตัวไปเช่นเกิดสงครามเราไม่ได้เตรียมเตรียมแกเงินไว้เกิดสงครามต้องอบพยพไปเอาไปได้แต่เสื้อผ้ากระเป๋าใบเดียวแต่ไม่มีเงินติดตัวไป ก็ต้องไปอยู่ตามค่ายอบายพนะ์อยู่แบบขอทานอยู่โดยอาศัยการช่วยเหลือขององค์กรสาหาประชาชาติเห็นไหมคนที่เขาอบายพเวลามีสงขาเขาไม่ได้คิดว่าจะมีภัยที่จะต้องทำให้เขาอบายพเขาเลยไม่ได้เตรียมเปลี่ยนเงินไว้ก่อนพอถึงเวลาไปเงินที่มีอยู่ก็เอาไปใช้ไม่ได้ หรือเงินที่ฝากในธนาคารก็เบิกออกมาไม่ได้ก็ไม่มีเงินติดตัวไปแต่ถ้าคนฉลาดรู้ว่าจะเกิดสงครามจะต้องมีการย้ายที่อยู่ก็เตรียมแลกเปลี่ยนเงินเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาไปก็เอาเงินที่เราจะไปอยู่ต่างประเทศ ไปใช้ในประเทศที่เราจะไปได้อันนี้คือลักษณะของบุญเป็นอย่างนี้จึงพูดได้ว่ามันไม่ศูญเปล่าเลยเป็นการเปลี่ยนเงิ น, งนตาเท่านั้นเองเปลี่ยนเวลาเปลี่ยน เ, นเงินที่เราจะใช้ต่อไปในภายภาคหน้าเพราะร่างกายของพวกเราทุกคนมันจะต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตาย เราจะแกะ่แก่นี้พอจะรู้มันเป็นไปตามเวลามันถึงจะแกะ่แต่เจ็บกับตายนี้ไม่มีใครรู้มันจะเจ็บแล้วจะตายเมื่อไหร่นี้อาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ตอนนี้อยู่ดีๆเดี๋ยวอยู่ดีๆก็หยุดหายใจไปเฉยๆก็มีหือคืนนี้นอนหลับแล้วตอนเช้าก็ไม่ตื่นก็มี เขาเรียกว่าหลับไหลาตายออความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนออการอพยพของเราจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนเราอาจจะต้องอพยพจากโลกนี้ไปสู่โลกทิพย์ในเวลาใดาเมื่อไหร่ก็ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่าประมาทให้รีบทําบุญกันให้มากๆาก การทำบุญนี้ไม่สูญเปล่าเป็นการเปลี่ยนเงินเท่านั้นเองถ้าเรามีเงินทองที่เราไม่ต้องใช้อยากเก็บเอาไว้เอาไปทำบุญ เ, เก็บไว้เฉพาะเท่าที่จาเป็นเผื่อวันข้างหน้าเช่นข้างหน้าเราอาจจะต้องอาศาัยเงินที่เราเก็บไว้ พอเราแก่ลงไปไม่มีแรงที่จะไปหาเงินหาทองก็ต้องอาศัยเงินทองที่เราเก็บไว้เอามาใช้แต่ถ้าเรามีเหลือมีเงินเก็บแล้วแล้วยังมีเหลือใช้อยู่ให้เอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทำบุญเอาไปทำบุญเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าหรือเงินที่เราจะเอาไปเที่ยว ไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของไม่จำเป็นก็เหมือนกันเพราะว่ า, าเท้าเงินไปเที่ยวปั๊บเดียวมันก็หมดละไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาซื้อมาแล้วมันก็เป็นของลกลงหลังไว้ในบ้านนะซื้อมาแล้วก็ต้องหาที่เก็บมัน ซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเต็มบ้านไปหมดแต่ความรู้สึกก็เหมือนเดิมตอนก่อนซื้อกับหลังซื้อความรู้สึกก็เหมือนเดิมจะจะเปลี่ยนไปก็ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเวลาได้ซื้อของมาใหม่ๆก็ดี อ, อกดีใจเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่ง มันก็หายดีใจนะของที่ซื้อมาแล้วก็ดูมันยังไงก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนตอนที่ได้มันมาใหม่ๆตอนที่ได้มาใหม่ๆนี้โอยรักทั้งรักทั้งหวงแต่พอได้มาสักพักหนึงแล้วก็รู้สึกเฉยๆนะดูยังไงก็รู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นไม่มีความสุขเหมือนตอนที่ได้ซื้อมาใหม่ๆ คือเอาเงินเหล่านี้มาทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วจะทำให้มีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจแล้วก็มีความมั่นใจว่าตายไปนี้จะไปอย่างสบายจะไปแบบเศรษฐีจะไม่ต้องไปเป็นขอทานพวกเราที่ทำบุญแล้วกวดน้ำนี่ให้คนที่ตายไปเพราะเราห่วงของเรากลัวว่า ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะไม่ได้ทำบุญหรือทำน้อยไปแล้วอาจจะไม่พอใช้หรือเขามาเข้าฝันมาขอบุญจากเราเนอันนี้แสดงว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่แทนที่จะเอาเงินที่ไปเที่ยวเอาเงินซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อกระเป๋าซื้อรองเทาง้าซื้อเครื่องประดับ ซื้อเพชรซื้อแหวนซื้อสร้อยซื้ออะไรต่างๆเอาไปไม่เอาไปทำบุญเวลาตายไปพวกแหวนเพชรก็เอาไปไม่ได้พวกสร้อยก็เอาไปไม่ได้กำไรก็เอาไปไม่ได้กระเป๋ารองเท้าของของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแต่ถ้าเอาของพวกนี้แทนที่จะเอาเงินไปซื้อของพวกนี้ เอาเงินไปทำบุญก็จะมีบุญติดตัวไปมีเงินทิพติดตัวไป น, นี่คือความจริงที่พวกเราอาจจะมองไม่เห็นกันเพราะว่ามันเป็นนามธรรมามันไม่ได้เป็นรูปประรรมเหมือนกับร่างกายเหมือนกับข้าวของต่างๆเราสามารถเห็นได้จับต้องได้ แต่มาพูดถึงเรื่องของบุญนี่มันเป็นเรื่องของอความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกสุขความรู้สึกอิ่มความรู้สึกสบายเกิดจากการได้ทำบุญแล้วความรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายนี้มันจะติดไปกับใจของเราทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเศรษฐี แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญนี่ใจเราจะไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกสบายจะรู้สึกหิวจะรู้สึกอยากจะรู้สึกว่าขาดอะไรไป <c oughs> แล้วก็แทนที่จะเอาบุญมาให้ความอิ่มความสบายกลับไปซื้อของต่างๆมาให้ซึ่งมันไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มใจสุขใจแต่อย่างใด <c oughs> ไปเที่ยวกลับมาบ้าน ความสุขใจอิ่มใจก็ไม่มีไปซื้อของอะไรต่างๆกลับมาบ้านความสุขใจอิ่มใจก็ไม่มีแต่ถ้าไปทำบุญแล้วกลับมาบ้านนี่จะมีความสุขใจอิ่มใจติดตัวกลับมาด้วยนี่แหละคือบุญน่าใจผู้ที่รับผลบุญนี้เราก็มองไม่เห็นเหมือนกันเพราะมันไม่มีรูปไม่มีร่างเหมือนร่างกาย แต่เราจะปฏิเสธว่ามันไม่มีไม่ได้เพราะว่าใจก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองผู้รู้ว่าตอนนี้ใจมีความสุขมรือใจมีความทุกข์ผู้คิดหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจนี่ก็คือใจนี่แหละใจคือผู้รู้ผู้คิดแต่ไม่มีร่างไม่มีรูปร่าง เหมือนร่างกายเราบางทีก็เลยไปไปเหมาเอาว่าผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่ที่ร่างกายแต่ความจริงแล้วใจคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่ในโลกทิพย์แล้วก็ส่งกระแส รับรู้มาเกาะที่ร่างกายอีกทีนึงเปรียบเทียบเหมือนกับหุ่นยนต์หุ่นกู้ระเบิดใครเห็นขุนกู้ระเบิดนะหุ่นกู้ระเบิดกับคนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเขาใช้สัญญาณวิทยุติดต่อกัน เ, เวลาจะกู้ระเบิด คนที่ควบคุมหุน่นถ้าไปอยู่กับหุ่นเดียวเกิดระเบิดขึ้นมาคนควบคุมหุ่นก็จะตายไปด้วยเขาเลยต้องไม่ให้คนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี้อยู่ที่เดียวกันแต่เขาสามารถใช้สัญญาณวิทยุสั่งให้หุ่นกู้ระเบิดทําอะไรตามคําสั่งได้สั่งให้หุ่น เดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีแขนมีมือให้จับให้ถอดอะไรได้ถอดรหัสถอดระเบิดได้แต่ผู้ที่ควบคุมนี้ไม่ได้อยู่ในหุน่นอยู่คนละที่กันจิตใจที่ควบคุมร่างกายนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเรานี่แหละเป็นผู้ควบคุมหุน่นคือร่างกายของพวกเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเราไปคิดมันเองเราไปคิดกันเองว่าเป็นตัวเราจิตใจไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ควบคุมร่างกายไม่รู้ว่าร่างกายเป็นเพียงหุ่นยนต์แล้วก็ไม่รู้ว่าติดต่อกับหุ่นยนต์ด้วยการส่งกระสอกระแสความรับรู้มาเกาะติดที่ร่างกาย ใจส่งกระแสตัวรับรู้เรียกว่าวิญญาณมาเกาะติดอยู่กับร่างกายมาเกาะติดที่ตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณมาเกาะติดที่หูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณมาเกาะติดอยู่ห้าแห่งด้วยกันคือมาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นและร่างกายพออะไรมาสัมผัสกับตาปั๊บ มันก็รับรู้ทันทีพอตาเห็นรูปปั๊บนีผู้ที่รู้รูปไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ตาตานี่เหมือนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปมันไม่รู้ว่ามันมันถ่ายรูปอะไรผู้ที่รู้คือผู้ที่ใช้กล้องถ่ายรูปะหูได้ยินเสียงแต่หูไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอะไรจมูกดมกลิ่นจมูกไม่รู้ว่าดมกลิ่นอะไระ ดินสัมผัสรถไม่รู้ว่าสัมผัสกับรถอะไรผู้ที่รู้คือใจที่เรียกว่าผู้รู้เนี่ยรู้ผ่านทางวิญญาณกระแสวิญญาณที่มาเกาะติดอยู่กับที่ร่างกายรู้เท่านี้เองเพียงแต่รับรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้เห็นภาพรู้ว่าตอนนี้ได้ยินเสียงรู้ว่าตอนนี้ได้ริมนถ เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเนี่ยรู้ว่าตอนนี้ได้ดมกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเนี่ยผู้ที่รับความรู้เหล่านี้คือร่างกายแต่ผู้รับรู้ผู้ที่รับความรู้เหล่านี้ไม่รู้ว่ารับอะไรเหมือนกล้องเนี้เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปอะไรไมโครโฟนที่เขาบันทึกเสียงอยู่นี่เขาไม่รู้ว่าเขาได้ยินเสียงอะไร เขาเพียงแต่รับเสียงรับภาพไปส่งให้คนที่ดูคนที่ฟังอีกทีเท่านั้นเองนี่คือพูดให้เห็นว่าร่างกายกับใจนี้อยู่คนละที่กันร่างกายอยู่ในโลกนี้โลกนี้เราเรียกว่าโลกธาตุเพราะโลกนี้มีธาตุสี่เป็นส่วนที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา สิ่งต่างๆในโลกนี้เกิดขึ้นมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเห็นไหมดินที่เราเหยียบเนี่ยเรียกว่าดินพอน้ามาฝนตกลงมาผสมกับดินก็ทาให้เกิดต้นไม้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วพอต้นไม้ใหญ่เราก็ตัดต้นไม้มาสร้างบ้านมาสร้างบ้านมาทำอะไรก็มาจากดินน้ำลมไฟเนี่ย ศาลาที่เรานั่งอยู่นี้ก็ทำด้วยดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟก็จะไม่มีต้นไม้ถ้ามีดินอย่างเดียวไม่มีน้ำต้นไม้ก็โตขึ้นมาไม่ได้ถ้ามีน้ำแต่ไม่มีลมคืออากาศให้มันหายใจมันก็โตไม่ได้ถ้าไม่มีความร้อนพอที่จะทำให้มันเจริญเติบโตได้มันก็ไม่เจริญเติบโต มันต้องมีทั้งสี่อย่างครบถึงจะทำให้ทำให้ต้นไม้โตขึ้นมาได้พ อ, อมันโตใหญ่เราก็เอาตัดต้นไม้มาทำอะไรต่างๆหรือถ้าเราขุดลงไปในดินก็ไปเจอโลหะต่างๆเจอเหล็กเจออะไรเราก็เอาเหล็กมาทำนูน่นทานี่ได้หรือมาทำแก้วทำกระจกทำอะไรต่างๆ ของต่างๆเหล่านี้ทำมาจากธาตุทั้งนั้นบางทีก็มีหลายธาตุวมกันบางทีก็มีธาตุเดียวสองธาตุไม่แน่แต่จําเป็นมันมาจากธาตุโลกนี้เราจึงเรียกว่าโลกกับธาตุเนี่ยมีธาตุสี่บางทีธาตุมันก็แยกกันอยู่บางน้ำที่ในทะเลน้ำในลำน้ำลาห้วยนี้ก็เป็นธาตุน้ำลนวนๆอากาศที่เราหายใจอยู่นี่ มันก็เป็นธาตุลมวนวลนวลความร้อนที่เราได้รับอยู่นี้มันก็เป็นธาตุไฟบางทีมันก็มารวมกันแล้วมันก็ทำให้เกิดร่างกายขึ้นมาร่างกายของพวกเราก็ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำนมไฟแล้วก็มีธาตุห้าคือธาตรู้คือจิตใจมาเกาะติดถึงทำให้เกิดทำให้ร่างกายนี้สามารถ พูดได้เดินได้ทําอะไรได้เพราะมีผู้ควบคุมร่างกายนี้ผู้สร้างผู้สั่งให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวต่างๆคือธาตุรู้หรือคือใจเนี่ยธาตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ในโลกธาตุธาตุรู้นี้อยู่ในโลกทิพย์เนีแต่ติดต่อด้วยกระแสวิญญาณกระแสวิญญาณก็คือโสตวิญญาณจักขุวิญญาณมีอยู่ห้าเส้นด้วยกัน ส่งมาเกาะติดอยู่ที่ร่างกายเหมือนกับที่สัญญาณวิทยุไปเกาะติดติดอยู่กับหุ่นกู้ระเบิดสัญญาก็สามารถสั่งสัญญาณให้หุ่นกู้ระเบิดเดินไปข้างหน้าเดินถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้ามีแขนก็ให้ใช้แขนใช้มือทําอะไรต่างๆได้อันนี้ก็เหมือนกันะ เวลาที่จิตคือผู้รู้ผู้คิดนี้มาเกาะติดกับร่างกายก็ต้องใช้เงินต้องหาเงินเพราะว่าจะซื้อของต่างๆในโลกนี้มามาเสพก็ต้องมีเงินมาซื้อเราจึงต้องหาเงินกันขณะทีะ่เรามีร่างกายขณะที่เราใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆ เรามามีร่างกายเพราะอะไรเพราะเราอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองเราอยากดูรูปเราอยากฟังเสียงอที่รูปที่เราอยากดูเสียงที่เราอยากจะฟังนี่มันต้องเสียเงินรูปฟรีๆมันดูแล้วมันไม่สนุกเหมือนกับรูปที่เสียเงินเสียงฟรีๆฟังแล้วมันไม่สนุกเหมือนกับเสียงที่ต้องเสียเงินเราเลยต้องไปหาเงินกัน่ พอเรามีเินนะทีนี้เราก็ไปซื้อรูปเสียงกิ่นรสที่เราอยากจะเสพได้ถ้าไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้เอถ้าดูของฟรีมันก็ไม่มันก็ไม่สนุกะพังของฟรีมันก็ไม่สนุกะเตอนนี้อยู่ที่นี่มีรูปฟรีมีเสียงฟรีดูแล้วมันก็ไม่สนุกเหมือนกับอรูปที่เสียงเงินะ ไปเสียเงินเข้าไปอยู่ในโรงไปดูเขาร้องลําทําเพลงดูละครดูการละเล่นต่างๆมันจึงทําให้เราต้องหาเงินกันไงหาเงินเพื่อที่เราจะได้เอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่สามารถใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆได้แล้ว ทีนี้เวลาไม่มีร่างกายจิตก็ต้องอาศัยบุญผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกายพอไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือให้ไปหารูปเสียงกลิ่นดตมาเสพก็ต้องอาศัยรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพที่มีอยู่ในโลกทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพนี้ก็ต้องอาศัยบุญถึงจะไปซื้อรูปทิพกลิ่นทิพเสียงทิพที่ที่ให้ความสุขกับใจได้ น, นี่คือเรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายเป็นคนละส่วนกันมารวมกันมาเป็นแฝดยามเป็นมาเหมือนหุ่นกู้ระเบิดกับคนกู้ระเบิดมาอยู่ร่วมกันชั่วคราวเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายมันไม่สามารถไปทำให้เกิดอะไรกับจิตใจได้ แต่จิตใจไม่รู้จิตใจหลงไปคิดว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วจะเกิดขึ้นกับจิตใจด้วยจิตใจเลยมักจะตกใจหวาดกลัวไปกับการเป็นอะไรของร่างกายแต่ถ้าเรารู้ความจริงแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวร่างกายเป็นอะไรตัวที่ตกใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปด้วย ตัวที่รู้ว่าร่างกายกำลังจะโดนเขาฆ่าโดนเขาทำร้ายเนี่ยจะไม่ได้ถูกทำร้ายไปกับร่างกายต่อไปถ้าเรารู้ความจริงเนีเราจะไม่กลัวว่าเวลาร่างกายจะเป็นอะไรเหมือนกับคนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดเนี่ยเขาไม่กลัวเขาเขาส่งหุ่นกู้ระเบิดเขาไปหาลูกระเบิดได้อย่างสบายใจเพราะเขารู้ว่า ถ้าเกิดมีการระเบิดขึ้นมาเขาไม่ได้ถูกระเบิดไปกับหุ่นกู้ระเบิดด้วยปล่อยให้หุ่นกู้ระเบิดมันระเบิดไปนี่คือความจริงผู้ใดเข้าถึงความจริงอันนี้แล้วจะไม่มีความทุกข์กับร่างกายจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายผู้นี้เราเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ เข้าถึงความจริงเห็นร่างกายกับจิตใจว่าเป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันจิตใจเป็นผู้ควบคุมร่างกายอยู่คนละที่กันอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับจิตใจผู้ที่ควบคุมร่างกายจิตใจก็เลยไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกาย ตอนนี้พวกเราเดือดร้อนกันเพราะอะไรเพราะเราไปคิดว่าเรากับร่างกายอยู่ที่เดียวกันความจริงเราอยู่คนละที่นะเราไม่รู้กันเองเราง้าเองเราต้องมาให้พระพุทธเจ้ามาบอกเรามาสอนเราว่าจิตใจกับร่างกายนี้อยู่คนละที่กันอย่าเอามารวมกันตอนนี้เราเอาความง้ามารวมเอาจิตใจกับร่างกายมาอยู่ ที่เดียวกันพอเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับร่างกายจิตใจก็ไปเดือดร้อนกับร่างกายด้วยทั้งๆที่ร่างกายเองมันกลับไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมันร่างกายมันไม่มีการรับรู้เหมือนกับกล้องนี้มันไม่มีการรับรู้ถ้าเกิดใครเอาค้อนมาทุบ ก, กล้องให้พังไป กล้องมันก็ไม่เดือดร้อนพังก็พังไปมันไม่รู้ว่าตัวมันพังเพราะมันไม่มีตัวรับรู้ผู้รับรู้คือใจคือเจ้าของกล้องเนี่ยเจ้าของกล้องเนี่ยกลับไปตื่นตกใจใครเอาค้อนมาทุบ ก, กล้องของตนเองไปนี่โอ้โหตื่นตกใจโมโหเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาเพราะไปยึดว่าเป็นของเรา พอเป็นของเราแล้วจะต้องให้มันดีต้องอยู่กับเราไปอย่างเดียวไม่ให้มันเป็นอะไรพอมันเป็นอะไรก็เกิดความเสียใจขึ้นมาเนี่ยความเสียใจของพวกเราเนี่ยเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าของนั้นของนี้เป็นของเราไปคิดว่าร่างกายเป็นของเราเป็นตัวเรา พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เลยเดือดร้อนกันขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วได้มารู้ว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละส่วนกันเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ควบคุมร่างกายที่เป็นเหมือนหุ่นยนต์เวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้รู้ผู้คิด ผู้รู้ผู้คิดไม่ได้เป็นอะไรร่างกายแก่ผู้รู้ผู้คิดก็ไม่ได้แก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยผู้รู้ผู้คิดก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายผู้รู้ผู้คิดก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้เป็นความจริงที่คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษา และได้เรียนรู้ของพวกนี้เรียนได้รู้ได้เหมือนกับไปโรงเรียนถ้าเราไม่ไปโรงเรียนเราอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่พอไปเรียนหนังสือปั๊บเดี๋ยวเราก็เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้พูดภาษาได้เด็กมันเก่งกับเราเสีย เราพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้แต่ส่งเด็กส่งลูกไปเรียนหนังสือภาษาอังกฤษไม่กี่ปีมันพูดภาษาอังกฤษได้นะเราอยู่มาตั้งหลายสิบปีพูดไม่ได้ก็เพราะเราไม่เรียนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปเรียนเดี๋ยวปีสองปีเราก็พูดได้ mm. อันนี้ก็เหมือนกันความจริงว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้แล้วสามารถแยกออกจากกันได้ ถ้าเรารู้แล้วเราแยกร่างกายกับใจออกกันอย่าให้มันอยู่ที่เดียวกันความจริงมันไม่เคยอยู่ที่เดียวกันหรอกเพียงแต่เราไปเหมาไปตูเอาว่ามันอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เชื่อเหมือนคนสมัยก่อนเชื่อว่าโลกนี้แบนก็เชื่อกันไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลๆ ก, กลัวเดี๋ยวมันจะตกขอบโลกไป ถ้าเป็นลูกแบรนมันก็เหมือนกับเป็นโต๊ะนถ้านั่งเรือไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะต้องตกออกจากโต๊ะไปเพราะมันแบรนแต่คนฉลาดก็รู้ว่ามันไม่แบรนมันกลมก็ให้นั่งเรือไปไกลขนาดไหนสุดขอบทะเลมันก็ไม่ตกออกนอกทะเลไปเพราะมันเ ว, ว้ามันโค้งของมันไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ได้ศึกษาเรื่องของจิตใจกับร่างกายแล้ว จะรู้ว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นกู้ระเบิดส่วนจิตใจนี้เป็นเหมือนคนควบคุมหุ่นกู้ระเบิดเวลาหุ่นกู้ระเบิดเป็นอะไรคนนู้นควบคุมไม่ได้เป็นอะไรไปกับหุ่นกู้ระเบิดอันนี้ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้แยกร่างกายกับจิตใจออกจากกัน ตอนนี้มันรวมกันด้วยความคิดเราต้องมาแยกมันออกด้วยความคิดเหมือนกันอย่าไปคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันต้องคิดว่ามันเป็นคนละอันกันแล้วก็พยายามทาใจให้เฉยๆตอนนี้เราไปคิดว่ามันเป็นอะไรพอมันเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บนี้ใจจะต้องรีบไปแก้ทันทีพอมันคันหน่อยต้องไปเกาทันทีเห็นไหพอมันเจ็บหน่อยนี่จะต้องไป ทำให้มันหายเจ็บทันทีแต่ถ้าเรามาฝึกจิตทำจิตให้เฉยๆเราก็จะไม่ต้องไปแก้อะไรกับร่างกายร่างกายคันก็ปล่อยมันคันไปเดี๋ยวมันก็หายเองถ้าใจเฉยๆแล้วใจไม่ไม่เดือดร้อนกับการคันของร่างกายถ้าร่างกายเจ็บถ้าใจเฉยๆได้ใจจะไม่เดือดร้อนกับการเจ็บของร่างกาย ถ้าใจเฉยได้เวลาร่างกายตายใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายตอนนี้เราเดือดร้อนกันเพราะว่าเราทำใจเฉยๆไม่เป็นเราติดนิสัยที่จะคอยไปทำอะไรกับร่างกายอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยนั้นต้องรีบไปแก้ไขทันที มีเสิวมีฟ้าขึ้นมาหน่อยต้องไปหายาม า, มาทูมาทาทันทีผมงอกนิดหน่อยต้องรีบไปหาอะไรม า, าย้อมมัน ท, ทันทีเพราะว่าเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราเมื่อมันเป็นเรามันต้องดีมันต้องสวยต้องหน้าดูพ อ, อมันทำไม่ได้เราก็เลยทุกข์กันเดือดร้อนกัน เพราะว่ามันต้องมีถึงเวลาที่เราจะไม่สามารถทำอะไรให้กับร่างกายได้ตอนนี้ยังพอทำได้แต่ต่อไปมันจะทำไม่ไหวพอแก่ลงไปมา ก, มากๆเรียวแรงไม่มีกำลังช้าวังชาไม่มีเมื่อก่อนย้อมผมได้ทาอะไรได้แต่พอแก่มากมากก็เลยต้องปล่อยมันเลยตามเลยนะผมมันยังงอกก็ต้องปล่อยมันงอกไป หนังมันจะเหี่ยวก็ต้องปล่อยมันเหี่ยวไปนี่คือสิ่งที่เราจะมาศึกษาธรรมะกันเนียเพื่อที่เราจะได้รู้ความจริงพอ เ, เพื่อเรารู้ความจริงแล้วเราจะได้เปลี่ยนวิธีการดูแลร่างกายจากการดูแลแบบว่าคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราก็จะดูแลมันเป็นเหมือนกับหุ่น เหมือนเป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเป็นเหมือนหุ่นกู้ระเบิดมันเป็นอะไรเราก็ซ่อมมันได้ก็ซ่อมไปมันหิวก็ให้ข้าวมันกินมันขาดอะไรก็ให้มันไปแต่ถ้าทําอะไรให้มันไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยมันไปตามสภาพแต่เรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นมันนะเราจะไม่เดือดร้อนเรา เวลามันแก่เราทำอะไรไม่ได้เราก็จะเฉยเฉยเวลามันเจ็บเราทำอะไรให้มันหายเจ็บไม่ได้เราก็เฉยเฉยไปเวลามันตายเราห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้เราก็เฉยเฉยไปเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายเหมือนกับที่เรากาลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้ เราทุกข์กับร่างกายเพราะเราไปหลงคิดว่าเรากับร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ที่เดียวกันเราคิดว่าร่างกายเจ็บเราก็เจ็บไปกับร่างกายร่างกายแก่เราก็แก่ไปกับร่างกายร่างกายตายเราก็ตายไปกับร่างกายอันนี้เป็นความคิดผิดเหมือนคนที่ไปคิดว่าโลกนี้แบนเนมันไม่ได้แบน ร่างกายตายไปเราก็ยังอยู่ต่อไปเนี่ยเราต้องอยู่แบบไม่มีร่างกายเราจึงต้องเตรียมเงินเตรียมบุญไว้เวลาที่ร่างกายตายเราจะได้มีเงินใช้ต่อไปได้ถ้าเราเอาเงินที่เราใช้ในโลกนี้ไปใช้เราก็เอาอไปไม่ได้ดันั้นเราต้องทำบุญกันเผื่อเวลาที่ร่างกายตายไป เราก็จะได้มีบุญเอาไปใช้ในโลกที่ต่อไปได้อันนี้ในขณะที่เราอยู่เราก็พยายามศึกษาว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละคนกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเรามาเชื่อมต่อด้วยกระแสะวิญญาณกระแสะวิญญาณก็คือกระแสะรับรู้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างตอนนี้ หูของร่างกายมันรับมันกำลังฟังเสียงอยู่แต่เชื่อแมมว่าหูมันไม่รู้ว่ามันฟังเสียงอะไรลองไปถามหูมันดูแต่ว่ามันรู้มันกำลังฟังเสียงอะไรมันไม่รู้หรอกมันเพียงแต่มีหน้าที่รับเสียงรับเสียงเข้าไปในหูถ้าเราปิดหูเสียงก็เข้าไปไม่ได้พอเสียงเข้าไปในหูไม่ได้ใจก็ไม่รู้ว่าเสียงมีหรือไม่มีใจก็ไม่ได้ยินเสียง มันก็ไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรถ้าเราอะไรมาอุดหูดูสินั่งฟังไปก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเสียงมันไม่เข้าไปที่หูเมื่อมันไม่เข้าไปที่หูมันก็ไม่ส่งไปที่ใจอีกทอดหนึง่งส่งไปที่ผู้รู้ผู้คิดนี่แต่พอเสียงมันไปถึงถึงหูแล้วก็มีกระแสดวงวิญญาณมารับรู้รับเสียงส่งไปให้ผู้รู้อีกทีหนึง่ง พอ ร, รู้ผู้รู้ได้ยินก็คิดต่อไปคิดตามเมื่อกี้ได้ยินว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้คิดก็อไปคิดต่ อ, อร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้นะเราก็ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เอาไปคิดต่อเอาไปสอนใจต่อว่า ต่อเปนี้อย่าไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราร่างกายเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่เราควบคุมบังคับให้มันพาเราไปหาอะไรต่างๆที่เราอยากได้กันเท่านั้นเองแต่ต่อไปมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายแต่เราไม่ต้องไปหวาดกลัวเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันเราเพียงแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุข แล้วถ้าเกิดมันตายไปถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่เดือดร้อนมันตายไปเราก็มีบุญเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อได้พอไม่มีร่างกายเราก็ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องมือหาความสุขในขณะที่เราอยู่ในอยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้มาอยู่ที่ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้ความสุขกับเราได้ เราก็เลยต้องอาศัยบุญนี่คือทําไมพระพุทธเจ้าหนึ่งสอนให้พวกเราทําบุญกันทําบุญเพราะว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วข้าวมันจะเป็นเครื่องมือรับใช้เราได้ชั่วข้าวเป็นเหมือนคนใช้เนี่ยคนใช้มันก็ทํางานได้แต่พอมันแก่หรือมันเจ็บมันตายก็ไม่สามารถที่จะมารับใช้เราได้ ตอนที่ไม่มีร่างกายมารับใช้เราเราก็อาศัยบุญมารับใช้เราแทนฉะนั้นการทำบุญจึงไม่สูญเปล่ายิ่งทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีบุญไว้มารับใช้เราได้มากขึ้นเท่านั้นอันนี้นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้สองอย่างด้วยกันเกี่ยวกับร่างกายกับจิตใจเกี่ยวกับบุญคือเราจะได้รู้ว่าเนี่ยร่างกายกับ ใจิตใจนี้เป็นคนละคนกันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วใจเราจะสบายขึ้นเยอะใจเราจะโล่ง อ, อกโล่งใจเบา อ, อกเบาใจกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นกับมันไปด้วยที่มันเป็นเพราะใจไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายแล้วก็ไปเดือดร้อนแทนร่างกาย ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายมันไม่เดือดร้อนเนี่ยเวลาร่างกายเจ็บนี่ร่างกายมันไม่เดือดร้อนเ่มันไม่รู้ว่ามันเจ็บนะผู้รู้มันเจ็บก็เขือใจแล้วใจก็ไปเดือดร้อนแทนร่างกายพยายามไปหาวิธีกำจัดความเจ็บของร่างกายแล้วก็เลยไปสร้างความเจ็บของใจขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวใจไปสร้างความเดือดร้อนขึ้นมา ถ้ารู้ว่าร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปร่างกายมันไม่เดือดร้อนใจอย่าไปเดือดร้อนแทนมันตอนนี้เราต้องมาแก้ความเดือดร้อนของใจด้วยการสอนใจให้รู้ว่าร่างกายเป็นอะไรมันไม่ได้มาเป็นที่ใจด้วยใจเป็นเหมือนคนดูเป็นเหมือนคนควบคุมหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันเสียก็ซ่อมมันหุ่นยนต์มันขาดน้ำมันก็เติมน้ำมันให้มัน ขุนยนมันขาดอะไรก็หามาให้มันเท่า น, นั้นเองแต่คนควบคุมไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปหวาดกลัวไม่ต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายใจไปกับมันแต่ตอนนี้ใจที่มาควบคุมร่างกายนี้มันไม่รู้จักทาใจเฉยๆนี่คือปัญหาพอร่างกายเป็นอะไรปับ๊บทั้งๆ ท, ที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าว่า เราไม่ได้เป็นร่างกายมันก็ยังทำใจไม่ได้พออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายหน่อยก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเนี่ยเราต้องมาแก้ตรงนี้เราต้องมาหยุดความวุ่นวายใจพยายามทำใจให้นิ่งๆเฉยๆให้ได้ซึ่งเราสามารถฝึกได้การทำใจให้นิ่ ง, งๆเฉยๆนี่เป็นสิ่งที่เราฝึกได้ทำได้ถ้าเรารู้จักวิธีแลเรานามาไปฝึก ต่อไปเราจะสามารถควบคุมใจของเรานี้ให้อยู่นิ่งๆเฉยๆได้เวลาร่างกายเกิดอะไรขึ้นมาเราจะไม่ต้องเดือดร้อนไปกับมันอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมามาปฏิบัติกันมาเรียนรู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกันแล้วมาปฏิบัติให้ใจปล่อยวางร่างกายให้ไปให้ใจเฉยๆกับร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรถ้าทําอะไรให้มันไม่ได้ก็เฉยๆไปถ้ายังทําอะไรให้มันได้อยู่ก็ทําไปถ้ามันเจ็บไปหาหมอได้ก็ไปหาหมอถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ทําใจเฉยๆไปไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปหวาดกลัวเพราะมันไม่ มันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องความหวาดกลัวความเดือดร้อนของใจไม่ไปทำให้ร่างกา ย, ายหายหรือดีขึ้นแต่อย่างใด ร, ร่างกายมันจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันเราก็ดูแลมันไปเท่าที่เราจะสามารถดูแลได้จนถึงเวลาสุดท้าย ถึงลมหายใจสุดท้ายเราก็ดูมันไปเท่านี้ดูว่าเออมึงยังหายใจอยู่เหรอะหายใจอยู่ก็หายใจไปลุกได้ไหมลุกไม่ได้ก็นอนไปลุกได้อยากจะลุกก็ลุกเดินได้อยากจะเดินก็เดินถ้าเดินไม่ได้ลุกไม่ได้ก็นอนไปดูลมหายใจไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินแต่ใจจะไม่วุ่นวายไปกับร่างกาย พ้าใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเหมือนหมอดูแลคนไข้หมอเดือดร้อนกับคนไข้ไม่เวลาหมอไปรักษาคนไข้หมอก็ดูแลอาการของคนไข้ไปคนไข้ต้องการอะไรก็หามาให้คนไข้คนไข้าหายใจไม่ได้หมอก็เอาเครื่องหายใจมาหายใจให้แล้วถ้าเห็นว่าช่วยไม่ได้ก็หยุดช่วยเหลือเท่านั้นเอง ก็ปล่อยให้ร่างกายมันหยุดทำงานแต่หมอไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายหมอนี้ก็คือใจเนี่ยผู้ที่คอยเลี้ยงดูรักษาร่างกายมาตั้งแต่วันเกิดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่แก่เป็นสิ่งที่ไม่เจ็บที่มันเจ็บเพราะมันความหลงมัน ไ, ไปวุ่นวายของมันเอง ถ้ามันทำใจเฉยๆให้นิ่งเป็นนี่มันจะไม่เจ็บมันไม่เดือดร้อนกับอะไรเลยทุกวันนี้ที่ใจมันเดือดร้อนเพราะว่าทำใจให้เฉยๆไม่เป็นทำใจให้นิ่งๆไม่เป็นเห็นอะไรแล้วจะต้องดีใจเสียใจขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นปัญหาของใจที่ไม่มีใครรู้วิธีแก้นอกจากพระพุทธเจ้าถ้าเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนบอกว่า วิธีที่จะรักษาใจของเราให้อยู่อย่างมีความสุขไปตลอดก็คือมาทำให้มันอยู่เฉยๆให้ได้อย่าให้มันไปวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆที่มารับรู้ผ่านทางตาหูจมูกดินกายนี้ให้รับรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ถ้าเราสามารถฝึกใจให้มันสักแต่ว่ารู้ได้ เราจะไม่เดือดร้อนกับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ศเศรษฐกิจจะขึ้นเศรษฐกิจจะลงก็ไม่เดือดร้อนอากาศจะหนาวจะร้อนก็ไม่เดือดร้อนจะรวยจะจนก็ไม่เดือดร้อนคนนั้นจะตายหรือจะเป็นก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยๆให้เป็นวิธีทำใจให้เฉยๆก็คือการมาฝึกสมาธินี่เอง การฝึกสมาธิจะทําให้เราสามารถควบคุมใจให้เฉยๆได้เรียกว่าให้เป็นอุเบกขานั่นเองคำว่าอุเบกขาก็คือทําให้ใจเฉยๆให้สักตะวารู้ให้รับรู้เฉยๆแต่อย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับสิ่งที่เรารับรู้ตอนนี้เรามีความรักชังกลัวหลงเห็นอะไรปุบ๊บถ้าไม่รักก็ชังไม่ชังก็กลัวไม่กลัวก็หลง แต่ถ้าเรามาฝึกจิตให้สงบให้เป็นสมาธิได้จิตจะไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่ในใจเห็นอะไรก็จะเห็นเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ดีใจไม่เสียใจไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแต่อย่างใดนี่แหละคือความสุขของใจอยู่ตรงนี้ความสุขของพวกเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การมาฝึกทาใจให้เฉยเฉย แล้วให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เรามาครอบครองนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของชั่วคราวร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเ้ขาของเงินทองญาติพี่น้องคนที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยพอเราร่างกายตายไปก็เราก็จากกันไป เราก็ไม่เจอกันอีกแล้วเขาก็อยู่ต่อไปเดี๋ยวเขาก็ต้องตายเหมือนเราร่างกายของพวกเราทุกคนเดี๋ยวมันก็กลับไปสู่ที่เดิมที่เดิมของร่างกายมาจากอะไรก็มาจากดินน้ำลมไฟนี้เองเวลาเผาแล้วกลายเป็นอะไรไปกลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปก็เอาไปทิ้งไปฝังดินไปรอยอังคารมันก็ตกลงไปอยู่ใต้ทะเล กลายเป็นดินอยู่ในดินไม่มีอะไรเป็นของเราของต่างๆที่เราหากมนาได้นี่มันเป็นดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองแล้วมันจะต้องแยกตัวกันกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟไม่ช้าก็เร็วหน้าที่ของเราคือให้รู้เฉยๆให้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปอยากได้อะไรไม่ต้องไปอยากมีอะไรเพราะมีอะไรแล้วจะทุกข์ทันที พอมีอะไรแล้วก็หวงก็หวงไม่อยากให้มันจากเราไปแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมีความหวงไม่มีความหวงไม่มีการพัดภาคจากกันนี่คือเราต้องมาแก้ปัญหาของใจของพวกเราใจของพวกเราตอนนี้หลงหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วสมบัติต่างๆที่ร่างกายหาได้ก็เป็นของเรา นักคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายตายนี้จากไปหมดเลยข้าวของเงินทองร่างกายนี้ก็จากกันใจก็อยู่ในโลกทิพย์ตามลำพังใจมีบุญใจมีความรู้ใจใจที่สงบใจที่นิ่งก็ไม่เดือดร้อน ทาใจไม่นิ่งใจก็จะตะเกียกตะกายพยายามหาสิ่งต่างๆที่สูญเสียไปเห็นสังเกตไม่เวลาของหายเราทำไงแเฉยเฉยๆได้ไหมไม่ได้นะ้ะรีบหากันใหญ่ให้อยู่ตรงไหนวะหากันนู่นบางทีก็ต้องไปแจ้งความลูกหายต้องไปแจ้งความตารวจหาไม่ได้เองก็เลยต้องไปแจ้งทำให้ไม่ทำใจเฉยๆว่ามันไปแล้วก็ไปเลยไปแล้วก็แล้วแต่มันมันอยากจะไปก็ให้มันไป ใจจะสบายกับไม่เอากับวุ่นวายไปต้องไปเดือดร้อนกับการหาบางทีหากี่ปีก็หาไม่เจอก็ยังไม่ยอมหยุดหาอยู่นั่นนะบางคนลูกหายไปเนี่ยยี่สิบปีสามสิบปีก็ยังคอยหาอยู่นั่นนะนี่คือสันดาลหรือธรรมชาติของใจ พอมันมันมีอะไรแล้วมันจะหวงมันจะรักมันจะเสียดายเวลาหายไปนี่มันพยายามที่จะหาใหม่อยู่เรื่อยๆพอเราเสียร่างกายไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอมันต้องใช้ร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะไปหาสิ่งต่างๆที่มันเคยหาอยู่มันเคยหาเงินทองมันก็ต้องมีร่างกายพืมันหา ตำแหน่งเป็นนู่นเป็นนี่ก็ต้องมีร่างกายมันจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็ต้องมีร่างกายมันมีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจมันจึงพาให้ใจนี้ต้องก่อยไปหาสิ่งต่างๆที่มันสูญเสียไปเพราะเวลามันไม่มีสิ่งต่างๆให้มันได้เสพได้สัมผัสแล้วมันรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามาฝึกจิตทาจิตให้นิ่งให้สงบให้เฉยได้แล้ว จิตจะไม่หวาจะไม่เหงาจะไม่ว้าเหวจะไม่หิวจะไม่อยากอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่รู้กันสิ่งที่เราต้องมาทำกันก็คือมาฝึกจิตถามจิตให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันไม่หิวไม่อยากกับอะไรแล้วมันจะอยู่ตามลำพังได้มันจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายกับการหา ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการรักษาพอหามาได้ก็ต้องมาวุ่นวายกับการรักษาพอเสียมันไปก็ต้องมาเสียอกเสียใจแต่ก็ไม่เข็ดพอเสียไปแล้วก็หาใหม่อีกหาใหม่อีกก็ต้องมารักษาอีกแล้วก็มาเสียอีกเพราะว่ามันอยู่เฉยเฉยไม่เป็นอยู่ตามลำพังไม่เป็นจิตมันไม่มีความสุขเวลามันไม่ที่เวลามันไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับมัน เวลาไม่มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขมันมันรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวมันเลยต้องคอยไปหาอะไรมาให้ความสุขอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องเอาความทุกมากับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆมันไม่แน่นอนมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปจากเราไปมันก็ทำให้เราเหงาทำให้เราเศร้าเหมือนเดิมเราต้องมาแก้ด้วยการทาใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ ถ้าเราทำใจให้งห่ายสงบได้ใจเราจะไม่เหงาไม่มีอะไรเราจะไม่เหงาอยู่คนเดียวได้อยู่ตามลาพังได้ไม่มีร่างกายเราก็ไม่เหงาอันนี้แหละคือสิ่งที่เราไม่รู้กันเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันตอนนี้รู้แล้วว่าเราต้องมาทำใจให้สงบก็ไปหัดทำกัน วิธีทําใจให้สงบง่ายๆอยากให้มันคิดอะไรถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันมันคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้ก็ท่องพุโทโธไปสวดพุดโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้สวดอิติปิโสร้อยจบเนี่ยเดี๋ยวมันลืมทุกอย่างเลยถ้าสวดอิติปิโสร้อยจบเดี๋ยวมันลืมทุกเรื่องที่เคยคิดต่างๆมันหยุดคิดไปหมดนะพอมันไม่คิดแล้วมันก็เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจมันอยู่เฉยๆได้นะ อันนี่คือสิ่งที่เราต้องมาฝึกกันฝึกจิตให้หยุดคิดให้จิตอยู่เฉยๆแล้วจิตจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าเมื่อเราไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรให้ความทุกข์กับเราความทุกข์เกิดจากการที่เราไปมีอะไรพอมีแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราพอมันไม่อยู่กับเราเราก็ทุกข์ขณะที่อยู่กับเราเราก็กังวล ม, มันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่ง งั้นอย่าไปมีอะไรการที่จะไม่มีอะไรได้ก็ต้องทําใจให้นิ่งให้สงบใ จ, จนิ่ง ส, สงบได้ก็ต้องมีพุทธโธคอยหยุดความคิดมีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วเดี๋ยวจิตก็นิ่งสงบแล้วจิตก็จะไม่หิวไม่อยากกับอะไรอยู่ตามลําพังได้ไม่ทุกไม่วุ่นวายไปกับอะไรทั้งหมด นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เรายังไม่รู้จักเหมือนไม่รู้จักวิธีทําให้มันมีความสุขเรากลับไปทําให้มันทุกข์ให้มันวุ่นวายด้วยความหนงที่ไปคิดว่าถ้ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีคนนั้นมีคนนี้แล้วจะทําให้เรามีความสุขแล้วเป็นยังไง เราก็กลับมาต้องมาทุกข์กับคนที่เราสิ่งที่เรามีกับคนที่เรามีพะเรามีรักก็รักเขาหวงเขาห่วงเขาพอไม่เห็นหน้าเขาหน่อยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไอ้หายไปไหนหรือเปล่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าแล้วพอเป็นอะไรไปก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เปร์นัน น, นี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขให้กับใจวิธีหาความสุขให้กับใจคือมาทำใจให้นิ่ง ให้สงบให้อยู่คนเดียวให้ได้อยู่แบบไม่มีอะไรให้ได้เราจะไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าอยู่แบบมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นมีคนนี้เราจะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องทุกข์กับคนนั้นคนนี้อย่างแน่นอนอนี่แหละคือเรื่องของความสุขของเราอยู่ที่ความสงบนี้ ขอให้เราไปฝึกทำกันให้ได้ฝึกทำใจให้นิ่งให้สงบมันฝึกสติพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดสวดมนต์ไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปบ่อยๆแล้วต่อไปเราจะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะทาวาริวหาปุราปาริปุริเณติสากหลังเอวามีวายตทินังเปตานังอุปกาปติเหยืิอท่ตังปะที่ตังตุมหังคก็เมวาสมิชาตุสาเพปุริตุสังกปาจันโทปานาราโสยะทามณีโชติอาร โยะธาสพิติโยวิวัชจันโตสัพพโรโควินาศสตมัเตภาวะโทอันตราโยสุขีธีขาโยโภภา อภิวาทนศสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธามาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้จาก Facebook 386 y o ย t u b e 187รปวิทยุออนไลน์29ผู้รับฟังบนเขาห5ส้ารวมห6 7้หท่านค่ะใครอยากจะถามอะไรไหมตอนนี้ถ้าถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้เพราะต้องพูดผ่านทางไมโครโฟนเสียงจะได้ดังชัดหน่อยถ้ายังไม่มีก็จะเอาคำถามจากทางบ้านก่อนก็ได้ ค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะตอนนี้ไม่สบายใจเพราะใช้คําพูดทําให้แม่ต้องทุกข์ใจเพราะไปห้ามแม่ไม่ให้ยุ่งกับหลานชายเพราะหลานชายทําตัวไม่ดีเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่แม่เป็นห่วงเขาเพราะเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กและคิดว่าจะเปลี่ยนเขาได้ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะว่าลูกควรจะปฏิบัติตัวอย่างอย่างไรกลับสาธุค่ะก็เราก็อย่าไป อย่าไปยุ่งกับแม่เขาเป็นเรื่องของแม่เขาถ้าแม่ก็ไม่ได้ขอคำปรึกษาเราก็ไม่ต้องไปเสนอไปไปเรื่องตัวใครตัวมันไปอแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกไม่สบายใจจะได้ไม่สบายใจไม่ใจจะได้สบายเพราะว่ามันเรื่องของแต่ละคนเขาก็มีความห่วงใยของเขา เขาก็อยากจะช่วยเหลือหรือทำอะไ ร, รนู่นทางนู้นน่ะเอะคุณต้องเอาไปทางนู้นน่ะอยู่ที่กล่องนู้นน่ะไปไปเขียนข้างนอกเขียนให้พอแล้วค่อยๆ เ, เข้ามาก็ได้มีกระดาษอยู่ในกล่องนั้นนะยิ่งเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรานี่เราไม่ควรที่จะไปบอกไปว่า เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยนี่ไม่มีหน้าที่ที่จะไปสั่งไปสอนผู้ใหญ่นอกจากผู้ใหญ่มาขอคำปรึกษาเราก็ถึงจะให้คาปรึกษาได้แต่ถ้าอยู่ดีๆอย่าไปให้คาปรึกษาอย่าไปสอนไปบอกผู้ใหญ่เพราะจะทําให้ท่านเสียใจเหมือนกับเราไม่มีความเคารพเหมือนกับเราไปทําตัวเป็นผู้ใหญ่ก่บท่าน คำถามจาคุณดาดาทำอย่างไรถึงจะชนะความโกรธได้คะลูกฝึกสมาธิแต่พอไปโดนสิ่งกระทบที่ไม่ชอบใจกลับทําใจไม่ได้บางครั้งโกรธแสดงออกไปอย่างขาดสติเป็นหนักกว่าตอนไม่ฝึกสมาธิอีกคะ่ะมารู้ตัวอีกทีก็ทุกข์แล้วควรวางใจอย่างไรดีคะความโกรธก็จากความอยากของเรานั่นเอง เราอยากให้ใครเ็าทำอะไรพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธเขาถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้เขาทำอะไรเราจะไม่โกรธเขาเพราะฉะนั <us <us> ้นเราต้องมาหัดหยุดความอยากกันอย่าไปอยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็จะโกรธเขาเนี่ยหัดฝึกใจให้เป็นสันโดษ คือให้ยินดีตามมีตามเกิดให้สักแต่รู้เขาเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ไปอย่าไปอยากให้กล้วยกลายเป็นส้มนะมันเป็นไปไม่ได้กล้วยมันต้องเป็นกล้วยส้มมันต้องเป็นส้มคนก็มีนิสัยอย่างนี้อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นไม่ได้พอเขาไม่เป็นก็ทําให้เราโกรธทําให้เราเสียใจ งั้นถัดทำความเข้าใจว่าใครก็เป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นไปอย่าไปอยากอะไรให้เขาเป็นอย่างอื่นอย่าไปอยากอย่าไปหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีความโกรธใครคหมดแล้วคำถามข้างบนนี้เสร็จหรื อ, อยังถ้าเสร็จก็ส่งเข้ามาได้ แล้ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรที่จเขียนต่อไปเอาคําถามต่อไปก่อนค่ะจะคุณปทมากรนรมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการเดินจงกรมเดินโดยไม่ได้สวดมนต์ได้ไหมคะดิฉันมักจะเดินจงกรมครั้งละครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงจึงค่อยมานั่งสมาธิค่ะบ่อยครั้งไม่ได้สวดมนต์ก่อนเจ้าค่ะ อ, อ๋อการสวดไม่สวดมันไม่เกี่ยวกับการเดินจงกรมนะ การเดินจงกรมนี้เพื่อเจริญสติเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถบางทีเรานั่งไม่ได้เราก็เดินหรือบางทีนั่งแล้วหลับหรือง่วงนอนเราก็ลุกมาเดินจงกรมขณะเดินเราก็ต้องมีสติเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิเช่นตอนนั่งสมาธิเราพุโทโธเดินจงกรมเราก็พุโทโธไปหรือถ้าเรานั่งสมาธิเราดูลมหายใจเวลาเดินจงกรมเราก็ดูเท้าไปแทน ดูการขัดก้าวเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเป้าหมายคืออย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เราบังคับให้ใจทําอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าเดินก็ให้อยู่กับการก้าวเท้าก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้เนื้อจะสวดมนต์ไปภายในใจขณะที่เดินก็ได้อันนี้เป็นอุบายวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ใจเราไปคิดด้วยเปื่อย เพราะความคิดเลื่อยเปอยจะทำให้ใจเราฟุ้งซ่านจะทำให้เราวุ่นไวายได้เราต้องการหยุดความคิดต่างๆแล้วใจของเราจะเบาจะเย็นจะสบายแล้วเราจะมีสติที่จะมานั่งสมาธิต่อได้หมดแล้วเลยส่งเข้ามาหน่อยส่งเข้ามาโนช่วยส่งให้หน่อย นนนน น, นสอนให้ค่ะคําถามมีการสอนเรื่องจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งก็บรรลูเป็นพระอาหารรพ์แล้วคือพ้นสมมุติใช่ไหมคะเขาบอกว่าขันห้าคือกิเลสค่ะไม่ใช่หรอกอจิตเดิมแท้นี่ยังเป็นจิตที่มีกิเลสหุ้มห่ออยู่จิตเดิมแท้นี่ยังไม่ใช่เป็นจิตบริสุทธิ์ะ จิตบริสุทธ์นี้ต้องเป็นจิตที่ได้รับการซักฟอกด้วยทานศีลภาวนาต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาจิตเดิมแท้เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกต้องการให้เสื้อผ้าสะอาดเราก็ต้องเอาไปซักก่อนซักต้องมีน้ามีผงซักฟอกพอซักเสร็จจิตเดิมเสื้อผ้าที่สกปรกก็กลายเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดขึ้นมา จิตเดิมแท้นี้เป็นจิตที่มีกิเลสหุ้มห่ออยู่มีความโลภความโกรธความหลงหุ้มห่ออยู่เหมือนเสื้อผ้าที่มีสิ่ง ส, งสปกปรกคาบสกปรกติดอยู่ถ้าเราอยากจะให้จิตเดิมแท้นี้เป็นจิตบริสุทธิ์เป็นนิพพานเราต้องซักฟอกด้วยการใช้ทานศีลภาวนาต้องทำบุญทาทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาคือสมาธิและปัญญา ถ้าเรามีทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาก็จะซักพอกกิเลสที่หุ้มห่อจิตใจให้หลุดออกไปทำให้ใจกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์เราเรียกว่านิพพานอันนี้ส่วนขันห้านี้เป็นขันไม่ไม่ใช่เป็นกิเลส ขันห้าพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่หลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังใช้ขันห้าอยู่ยังมีร่างกายที่ฉั้นใช้ไปบินธบาตฉชั้นใช้ไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆฉันต้องใช้ความคิดเวลาแสดงธรรมก็ต้องใช้ความคิดใช้สังขารใช้สัญญาความจำเพราะฉะนั้นขันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสขันนี้เป็นเครื่องมือเหมือนรถยนต์ รถยนต์นี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือของไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเทียงรถยนต์แต่ถ้าคนขับเป็นคนที่ใจไม่สะอาดก็สามารถเอารถยนต์ไปป้นธนาคารไปทําบาปได้อันนี้นั้นกิเลสคือผู้ที่มาขับรถยนต์ใจที่มีกิเลสก็จะใช้ขันห้าไปในทางของกิเลสไปทางความโลภความโกรธความหลง ใจที่ไม่มีกิเลสก็จะไม่เอาขันห้าไปใช้ในทางของกิเลสเช่นพระพุทธเจ้าไม่เอาความคิดไปใช้ในทางโลกโกิดหองฉันเอามาใช้ในการแสดงทำทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้จักทำได้มีดวงตาเห็นธรรมกันเนั้นแค่เราเข้าใจว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่กิเลส แต่อยู่ที่ว่าใครเอาไปใช้ถ้ากิเลสเอาไปใช้ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสได้ถ้าธรรมเอาไปใช้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมนี่คือกิเลสก็คือใจที่ยังมีกิเลสก็จะเอาขันห้าไปใช้ในทางกิเลสอย่างพวกเราเนี่ยยังมีกิเลสอยู่เราก็จะเอาขันห้าไปใช้ในทางกิเลสเอาไปใช้กับความโลภความโกรธ ความหลงแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านไม่มีกิเลสท่านก็เาขันห้าไปใช้ในทางธรรมไปใช้ทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเอาไปใช้ในทางบุญทางกุศลก็มีเท่านั้นขันเป็นเเป็ น, ปนพียงเครื่องมือที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้เอาไปใช้ให้เกิดโทษก็ได้เช่นรถยนนจะเอารถพาเรากลับบ้านก็ได้ หรือเอารถพาเราไปไปเที่ยวไปไปไปทำอะไรเสียหายก็ได้แต่ตัวรถนี้ไม่ได้เป็นกิเลสคะคำถามจากคุณชนิดากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถเห็นอวัยวะภายในของคนอื่นอ่านความคิดได้ถ้าเอาไปใช้ในการรักษาคนไข้เป็นการทำผิดไหมคะอ๋อมันไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่า มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจนั่นเองคำถามที่เมื่อกี้ถามส่งเข้ามาถ้ายังตอบไม่ชัดเจนอยากจะถามเพิ่มเติมก็เขียนส่งเข้ามาได้นะเอาให้พอเลยจะได้หายสงสัยความรู้ต่างๆที่เรามีถ้าเรามาใช้กับทางร่างกายมันก็ได้ประโยชน์แค่ชัว่วคราว รักษาให้ร่างกายอยู่หายเจ็บหายไข้ได้แต่รักษาไงเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องตายอยู่ดีสึ่อเอาความรู้มาใช้กับการรักษาใจดีกว่าเพราะใจนี้เป็นของไม่ตายถ้าสามารถรักษาใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้แล้วใจก็จะหายจากความทุกข์ไปตลอดแต่ถ้ า, าไปรักษาร่างกายไม่ไม่มารักษาใจใจก็ยังต้องทุกข์ต่อไปหมดแล้วเหรอ ดังนั้นความรู้ต่างๆที่เรามาปฏิบัติกันนี้เป้าหมายมามาเอามาเพื่อมาสอนใจมาแก้ความหลงของใจให้ใจรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรเพราะเมื่อใจรู้ว่าความจริงเป็นอะไรแล้วใจก็จะได้ปลอดภัยจากความทุกข์เราะความไม่รู้ความจริงนี่แหละทําให้ใจทุกข์เช่นความหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ก็เลยทําให้ใจต้องมาทุกข์กับร่างกายแต่ถ้ารู้ความจริงว่าร่างกายไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนกับหุ่นที่เราเอามาใช้ชั่วคราวเราก็จะไม่ไปทุกข์กับร่างกายเราก็ใช้มันไปเท่าที่เราจะใช้เป็นได้พอถึงเวลาใช้มันไม่ได้เราก็ทิ้งมันไปเท่านั้นเองเราก็จะไม่มาเศร้าโศกเสียใจ ขณะที่อยู่ก็ไม่ต้องมาวิตกกังวลไม่ต้องมาหวาดกลัวกับความเป็นความไปของความเป็นความตายของร่างกายนี่คือประโยชน์จากการที่เรามาศึกษาธรรมะมาเรียนรู้ความจริงเพื่อที่เราจะได้มาสอนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับความจริงให้ถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เรามีอยู่กันขณะนี้จะหายไปหมด เราจะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายกับการเป็นอะไรต่างๆของร่างกายของเราก็ดีของไข่ก็ดีเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของไข่ทั้งนั้นเป็นเพียงหุ่นยนต์ร่างกายของแม่ก็ไม่ใช่ตัวแม่ตัวแม่ไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายของพ่อก็ไม่ใช่เป็นตัวพ่อร่างกายของเราก็ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นหุ่นของพ่อของแม่เป็นหุ่นของเราที่เรา เ, าเอามาใช้กันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวในที่สุดเราก็ต้องทิ้งมันไปเพราะมันเป็นของไม่จีรังถาวรเหมือนโทรศัรพท์มือถือนี่เราซื้อมาเราก็ใช้กันไปเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็เสียเราก็ทิ้งมันไปร่างกายก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเหมือนโทรศัรพท์มือถือเราจะไม่ทุกข์กับมัน แต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเรามันก็เลยทําให้เราทุกข์เพราะเราพออะไรเป็นตัวเราแล้วเราก็ต้องให้มันไม่เป็นอะไรแต่ตัวเรานี้เราไม่ต้องไปรักษามันไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพียงแต่ว่ามันมาสร้างความทุกข์ให้กับมันด้วยความหลงของมันเองเท่านั้นเองเราจึงต้องมาแก้ความหลงของใจให้รู้ความจริงแล้วมันจะได้ไม่หลง ไม่หลงแล้วมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความมุ่นไม่ใจให้กับมันมีคำถามเข้ามาอีกไหมยังไม่มีไม่อ่าเข้ามาสงเข้ามาหน่อยเมื่อกี้ถามเข้าใจไห ม, มคำตอบครั้งโอเคค่ะคำถาม เราจะบอกให้ผู้สอนผิดทางมาฟังพระอาจารย์ได้ไหมคะคือถ้าเขาไม่ถามอย่าไปบอกเขาดีกว่าขั้นที่หนึ่งเขาคงไม่คิดว่าเขาผิดหรอกเหมือนเมื่อ ok เขาคิดว่าเขาไม่ผิดแล้วไปบอกเขาว่าเขาผิดเขาก็จะโกรธเราเพราฉะนั้นอย่าไปบอกเขาดีกว่านอกจากเขาถามเราว่าเราสอนนี่ผิดนู่ไม่ผิดเราก็บอกเขาได้เพราะฉะนั้นเวลาจะบอกใครนี้ต้องระวังหน่อย ต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะฟังเราหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมอย่าไปพูดดีกว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันเดี๋ยวจะโกรธกันรักษาน้ําใจกันไว้ดีกว่าอ่าต่อไปค่ะคำถามจากคุณชนิดาคนที่เป็นโพธิสัตว์จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะก็จะมาพวกโพธิสัตว์กับพวกที่ชอบทาบุญ่ย พกชอบทำบุญรักษาศีลชอบไปวัดชอบไปฟังเทศฟังธรรมชอบไปปฏิบัติธรรมพวกนี้เรียกว่าพระพ ว, พวกโพธิสัตว์ไม่ชอบไปเที่ยวไม่ชอบไปกินเหล้าเมายาไม่ชอบไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปช้อปปิ้งตามศูนย์การค้าต่างๆพวกโพธิสัตว์นี้เขาจะพุ่งไปแต่การทำความดีทำทานรักษาศีลภาวนา แล้วต่อไปเขาก็จะมีกำลังที่จะตัดจจรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ต่อไปหมดแล้วและอ่าส่งเข้ามาค่ะมีสองคำถามนะคะคำถามที่หนึ่ง การที่พระอาจารย์สอนให้ควรรู้พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานี้พิจารณาเรื่อยๆใช่ไหมคะหรือควรทำหลังจากนั่งสมาธิและเดินจงกรมจนจิตสงบแล้วเจ้าคะก็คือมันต้องทำทั้งสองส่วนไงจิตเราก็ต้องฝึกทำให้มันสงบให้มันนิ่งส่วนเวลาที่เราไม่ทำสมาธิเราก็ต้องคอยเตือนใจสอนใจ หยิกใจว่าเฮ้ยอย่าไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอมันจะไปยึดปั๊บก็ต้องหยิกมันทันทีบอกไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเป็นอะไรก็มันไม่มาเป็นอะไรกับเรามันเป็นเหมือนคนรับใช้เราเราก็ดูแลมันไปตามตามสภาพแต่ถ้าเราไม่มาฝึกสมาธิเราจะทำใจไม่ได้เราจะคอยเราเรายังจะไปห่วงมันยังจะไปกังวลกับมันอยู่งั้นเราต้องทาทั้งสองอย่าง ต้องสอนใจเวลาที่เราไม่ได้ทําสมาธิเวลาทําสมาธิตอนนั้นสอนใจไม่ได้เพราะนอนทําสมาธิเราต้องการทําให้ใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยต้องหยุดคิดนั้นเวลาทําสมาธินี่ทําเรื่องทางปัญญาไม่ได้ต้องผัดกันทําช่วงทําสมาธิก็ให้หยุดความคิดทําใจให้นิ่งเฉย พ อ, อจากสมาธิมาแล้วใจไปเริ่มคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็ต้องสอนมันทันทีว่าไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายเป็นเพียงตุ๊กตาเป็นหุ่นเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปเป็นดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครเหมือนกันหมดไม่เป็นไม่มีตัวตนในร่างกายร่างกายของพ่อของแม่ก็ไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่ตัวพ่อตัวแม่อยู่ที่ใจที่ไม่ตายไปกับร่างกาย ต้องคอยสอนคอยเตือนมันจะได้ไม่ไปกังวลไม่ไปห่วงถ้ามันยังห่วงอยู่แสดงว่าสมาธิกำลังไม่พอก็ต้องกลับไปทำสมาธิให้มากขึ้นให้ทำให้ใจนิ่งๆเฉยๆให้ได้แล้วมันก็จะไม่ห่วงไม่ห่วงไม่กังวลถ้่ยังห่วงยังห่วงยังกังวลอยู่ก็ต้องไปทำสมาธิให้มันนิ่งๆให้ได้พอมันนิ่งแล้วมันก็จะไม่ห่วงไม่ห่วงไม่กังวล แล้วถ้าออกจากสมาธิมาพอมันจะไปกังวลก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปกังวลห้ามมันไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราห้ามมันไม่ได้เราทำได้ก็เพียงแต่ดูแลมันไปเท่าที่เราดูแลได้เท่านั้นเองก็ดูแลมันไปถึงเวลามันจะไปก็ปล่อยมันไปแต่ใจเราจะสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อน ค่ะสองเข้ามาอีกคำถามที่สองค่ะถ้าเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นการแยกกายกับจิตแล้วบางครั้งเห็นเป็นโครงกระดูกก็รับทราบเฉยๆใช่ไหมเจ้าคะบางทีเห็นเพียงสองสามนาทีค่ะก็อันนี้มีไว้สำหรับเวลาที่เราไปหลงรักไข่ไงแต่เราเห็นไขรแล้วเราไปหลงรักเขาเพราะเราเห็นเพียงแต่ข้างนอก เห็นหน้าตารูปร่างของเขแล้วเราก็ไปรักไปชอบเขาเราก็ต้องหัดดูโครงกระดูกของเขานึกให้ถึงให้เห็นโครงกระดูกของเขาพอรู้ว่านอกจากร่างกายหน้าตาที่สวยงามแล้วยังมีโครงกระดูกแถมมาด้วยเราก็อาจจะไม่เอาดีกว่าอนนี้เรามองไม่เห็นของแถมกันเนี่ยของแถมอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยมีลำไส้มีปอดมีตับมีไตมีอะไรมองไม่เห็นกัน ก็เลยไปหลงรักเขาเนีย่ยการให้เห็นอาการต่างๆของร่างกายนี้เพื่อมาห้ามใจไม่ให้ไปหลงรักใครเพราะว่าของที่เรารักมันมีของแถมที่ไม่น่าดูติดมาด้วยพอเราเห็นของที่ไม่น่าดูติดมาเราก็เลยไม่ลักคนดีกว่าแล้วเราก็จะได้อยู่คนเดียวอย่างสบายเพราะไปรักใครเขาแล้วก็จะทําให้ใจวุ่นวายขึ้นมาต้องคอยห่วงคอยห่วง ต้องคอยวิตกคอยกังวลอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ทำใจให้สงบได้แล้วมีความสุขมากกว่าต่อไปค่ะการแก้หรือรักษาภาวะเจ็บป่วยทางกายที่เป็นจากการเสื่อมสภาพตามอายุในทางพุทธถือว่าปฏิบัติถูกทางหรือไม่คะก็ได้ทำไปพระพุทธเจ้ายังกินยาอยู่น ะ, ะมีหมอชีวกมาคอยหายามาคอยรักษาร่างกายของท่าน เพียแต่ว่าท่านไม่ดันทุหลังเท่า น, นั้นพอท่านรู้ว่ามันไปไม่ไหวแล้วท่านก็ปล่อยไม่รักษาอย่างพระพุทธเจ้าพอถึงอายุแปดสิบก็บอกว่าพอแล้วร่างกายมันอยู่ได้แค่นี้ก็ไม่ไปดันทุลังพุทธเจ้าบอกถ้าจะดันทุลังก็อยู่ต่อได้อีกยี่สิบห้าปีแต่ขี้เกียจเพราะอยู่แบบไม่มีคุณภาพไม่อยากอยู่อยู่แล้วกลายเป็นภาระของคนอื่นไป แล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับใครก็เลยไม่อยากจะอยู่เพื่อเลยปล่อยให้มันตายไปตามสภาพของมันค่ะมีเทคนิคที่จะดูว่าจิตใจไม่ใช่ของเราอย่างไรคะออจิตใจไม่ต้องดูว่าไม่ใช่ของเรามันเป็นของเราอยู่แล้วมันเป็นตัวเราของเรานะจิตใจ เรามาจากมันนะไม่ต้องไปดูจ um um> um ิตใจให้ด um um um um ูของอย่างอื่นที่เราไปหลงคิดว่าเป็นเราเพราะของอย่างอื่นไม่มีอะไรเป็นเราหรือของเราอแต่เราไปเหมาไปบดว่าเป็นเราเป็นของเรามันเลยจะให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่ลืมไม่หลงไปคิดว่าเป็นเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์จะมห้บ้านของคนอื่นเราทุกข์ไหมบ้านคนอื่นไฟไหม้เราทุกข์ไหมบ้านคนอื่นน้าท่วมเราทุกข์ไหมแต่พอบ้านของเราไฟไหม้น้ําท่วมขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาทันที เพราะเราไปหลงว่ามันเป็นของเราแม้แต่อะไรที่เราเป็นของเราเราก็ต้องว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันดีคืนดีมันก็อาจจะกลายเป็นของคนอื่นได้กลายเป็นของน้ำไปเห็นไหน้ำท่วมก็กลายเป็นของน้ำไปไฟไหม้ก็กลายเป็นของไฟไปให้คิดอย่างนี้ แต่ไม่เป็นไรก็เราอาศัยมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าไม่มีอยู่ก็อยู่ใต้สะพานก็ได้อยู่ตามโคนไม้ก็ได้พระพุทธเจ้าสอนให้พระอยู่ตามโคนไม้ที่ไหนมีแดดล่มก็หลบหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ได้แล้วไม่ยากเย็นอะไรถ้ามีความสงบแล้วใจจะไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนกันเพราะใจไม่สงบ ใจไม่มีความสุขในตัวเองเลยต้องไปหาความสุขทางร่างกายทางคนนั้นคนนี้ทางสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอไม่ได้ก็เสียใจพอได้ก็วุ่นวายใจมาหาความสงบเถอะได้ความสงบแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งหมดค่ะคำถามจากคุณดาดาค่ะ ถ้าแม่ติดเตียงแล้วอยู่กับน้องชายน้องสะพยช่วยดูแลดิฉันให้มาอยู่ด้วยเพื่อมาดูแลก็ไม่มาเพราะแม่รักน้องชายมากอย่างนี้จะบาปไหมคะที่ไม่ได้ดูแลท่านตัวเขาเลยตัวเขาไม่ได้ดูแลค่ะก็ไม่บาปเพียงแต่ไม่ได้บุญนั่นเองคําถามจากคุณพิมพรค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูได้ปฏิบัติตามคําสอนพระอาจารย์หนูได้ทําบุญมากขึ้นทุกวันและปัจจุบันนี้หนูรู้ตัวดีว่าใจเราสงบมีความสุขและใจไม่หงุดหงิดมีความใจเย็นหนูถามว่าบางครั้งหนูไม่ได้เจริญจิตภาวนานั่งสมาธิทุกวันแบบนี้จะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกก็จะทําทให้ได้น้อยเท่านั้นเองถ้าเราภาวนามากเราก็จะได้ความสงบมาก ได้ความเย็นได้ความสบายเพิ่มมากขึ้นไปถ้ายัางไม่ได้ทำมันก็ได้เพียงแต่ระดับทานกับระดับศีลซึ่งมันไม่มากเท่ากับระดับภาวนาก็ควรพยายามฝึกเพิ่มไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าไม่ได้กำไรแต่ไม่ขาดทุน คำถามจากคุณธรรมดาโลกธรรม8ปดเมื่อได้ความสงบจากการนั่งสมาธิแล้วการพิจารณาทางปัญญาเนือ ง, เ, องเพื่อให้ได้โสดาบันเราพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์และเรื่องร่างกายของเราว่าไม่ใช่ของเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตจะพัฒนาไปเองได้ใช่ไหมคะเราก็จะรู้เองว่าเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นเราเราก็จะ ปล่อยมันได้ถ้าเรายัางปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าเรายัางมองไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเป็นเรานั่นเองก็ <c oughs> ต้องดูตรงที่ว่าเราปล่อยได้หรือปล่อยไม่ได้เรายังกลัวความแก่ความเจ็บความตายอยู่หรือเปล่าถ้ากลัวแสดงว่าเรายัางปล่อยไม่ได้ถ้าเราไม่กลัวแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราเฉยได้ไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าเราปล่อยได้นะ คำถามจากคุณสุวพัฒนเจริญสติด้วยการดูกายที่เคลื่อนไหวแต่มักจะไปอยู่ที่เพ่งกับเผลอ ER ไปคิดควรทําอย่างไรคะถามใหม่ด้วยจเจริญสติด้วยการดูกายที่เคลื่อนไหวแต่มักจะไปอยู่ที่เพ่งกับเผลอ ER ไปคิดควรทําอย่างไรคะที่เพ่งหมายความว่าไงก็ไม่เป็นไรเมื่ถ้ามันเผลอไปคิดก็ใช้พุทโธแทนก็ได้ ถ้าให้มันดูที่ร่างกายแล้วมันไม่อยู่มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุโทโธดึงกลับมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มหมดแล้วเลยอ่าส่งเข้ามามใกล้เวลาจะหมดแล้วนะค่ะ <c oughs> <c oughs> เคยทำสมาธิดูลมหายใจแล้วจิตสงบลมหายใจจะละเอียดละเอียดจนหายไปแล้วก็ว่างเป็นหนึ่งแล้วก็ว่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่พอออกจากสมาธิเจออารมณ์กระทบที่ขัดใจก็หงุดหงิดน้อยใจคะ่ะแก้ไขอย่างไรคะเมื่อเล่าจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาหรือสติคอยกํากับใจต่อไป พอเริ่มนึกสึกหงุดหงิดก็จะใช้พุทธโธพุทธโธก็ได้มันก็จะดึงใจให้กลับมามีสติแล้วอารมณ์หงุดหงิดก็หายไปได้ถ้าใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาสิ่งที่มาทําให้เราหงุดหงิดพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นไตายรักษณเช่นคนนั้นคนนี้มาทําให้เราหงุดหงิดก็พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่หงุดหงิดกับเขาแต่ถ้าเรามีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะหงุดหงิดเราก็ต้องใช้อนาตตามาแก้ว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องปล่อยเขาให้เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่หงุดหงิดกับเขาเข้าใจไหมแก้ด้วยสองวิธีวิธีง่ายก็คือพุโทโธพอเห็นใครหงุดหงิดบ้างก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงเขาเดี๋ยวก็อารมณ์หงุดหงิดนั้นก็หายไปถ้าอยากจะให้แก้อย่างถาวรก็แก้ด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้อย่าไปอยากยาให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หงุดหงิดนี่อันนี้แก้อย่างถาวรแก้ด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาเราต่อไปจะไม่หงุดหงิดกับอะไรทั้งนั้นเพราะเราปล่อยเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอะไร คำถามจากคุณแทนพิสิทธิ์ผมขออนุญาตเรียนถามว่าเมื่อจิตมันสงบจนรู้สึกว่ากายเบาจิตเบาแล้วอันนี้ควรจะฝึกสมาธิให้ดิ่งลึกลงไปอีกหรือเปล่าครับหรือว่าอหรือว่าแค่สงบกายเบาจิตหรือว่าแค่สงบกายเบาจิตเบาก็ใช้ได้แล้วให้พิจารณากายได้หรือเปล่าครับแล้วไม่พอหรอก ต้องลงให้มันถึงอัปปนาสมาธิให้มันเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดมหศัศจรรย์ใจกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนอันนี้ยังไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองต้องไปลึกกว่านั้นแล้วต้องไปบ่อยๆไปนานๆ ไม่ใช่ไปครั้งเดียวแล้วก็จะไปทางปัญญาเลยไม่ใช่ต้องฝึกสมาธิให้ชำนาญให้มีความสุขใจตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิแล้วถึงค่อยไปฝึกทางปัญญาต่อต่อนะคะแล้วเราต้องใช้สัญญาในร่างกายนี้นึกขึ้นมาแล้วค้นหาความจริงตามที่มันเป็นใช่หรือเปล่าครับ อย่าไปใช้อย่าไปคิดอย่าไปใช้คำว่าสัญญา อ, อะไรๆก็เลยเราเรียกว่าพิจารณาความจริงวิเคราะห์ความจริงวิเคาราะห์ ว, ว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนชาบเปลี่ยนเร็วมีการเจริญแล้วต้องมีการเสือ่อมมีการเกิดแล้วต้องมีการดับถ้าเราเห็นอนิจจงเห็นความไม่เที่ยงเราก็จะได้ปล่อยวาง ไม่ไปอยากให้เขาเที่ยงเพราะถ้าไปอยากให้เขาเที่ยงแล้วพอเขาไม่เที่ยงก็จะทําให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจ เ, เพราะเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ให้พิจารณาคิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดไปอยากได้อะไรเพราะรู้ว่าถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทุกข์กับมันเอาคําถามสุดท้าย กราบเรียนพระอาจารย์ครับคุณแม่ผมเป็นคนจีนไม่มีความรู้ทางภาษาไทยแค่พูดได้บางคำไม่เข้าใจความหมายยิ่งภาษาทางธรรมแกฟังไม่ค่อยเข้าใจมีวิธีไหมครับที่จะให้คุณแม่มาฟังธรรมให้เข้าใจอย่างลึกซึง้งอยากจะพาคุณแม่ไปฟังธรรมของพระอาจารย์ครับออก็ต้องไปฟังภาษาจีนต้องไปหาคนนี้ก็เทศภาษาจีนทาไงได้มัน เราพูดภาษาจีนไม่เป็นพูดได้คำสองคานะแต่มีหนังสือประวัติของเราที่เขาแปลเป็นภาษาจีนนะถ้าอยากได้ก็มาลองมาขอที่วัดดูไม่รู้ยังมีเหลืออยู่เปล่าเป็นประวัติที่แปลจากหนังสือมหาเศรษฐีที่แท้จริงแปลเป็นภาษาจีนเออเาไปอ่านได้แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ามีแปลเป็นภาษาจีนอีกเล่มหนึ่งหนังสือธรรมะ ก็ลองติดต่อมาทางาเว็บไซต์พระสุชาติ닷คอมมีที่ฝากข้อความบอกอยากจะได้นังสือภาษาจีนแล้วพระที่ท่านรับเมลไปท่านอาจจะส่งไปให้ก็ได้ถ้าเขียนที่อยู่อะไรให้ชัดเจนแล้วท่านก็จะส่งนังสือเป็นภาษาจีนไปให้คุณแม่อ่านดูก็ได้เอาแล้วนะวันนี้สำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา